เรื่องป้าทวนยอดหญิงนักแจกบันทึกเรื่องโดยคุณออสป้าทวนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจวนมาก่อนเวลากราบหลวงพ่อจวนแต่ละครั้งต้องผ่านวัดป่าบ้านตาดก่อน แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ใส่บาตรพระหลวงตาเลยจนเก็บเอาไปฝันว่าได้มาใส่บาตรพระหลวงตาถึงสองครั้งแต่ก็ไม่ได้มาจนแล้วจนรอดจนกระทั่งหลวงพ่อจวนละสังขารจึงได้มาหาพระหลวงตาในเวลาที่ท่านเลิกรับบาตรแล้วคือเป็นช่วงที่ให้ท่านปิวรับบาตรแทนเพราะหลวงตาอายุมากแล้วเมื่อได้มาพบพระหลวงตาแล้วเกิดศรัทธาท่านอย่างมาก เพราะมองดูว่าท่านเข้มงวดจริงจังเรียบร้อยสะอาดทำให้ป้าท้วนอยากมาเป็นลูกศิษย์และในที่สุดก็ได้มาเป็นลูกศิษย์พระหลวงตาจริงๆปราท้วนเล่าว่าพระหลวงตาเคยเทศเรื่องแก้วสารพัดนึกให้ป้าท้วนฟังหลวงตากล่าวว่าแก้วสารพัดนึกคือบุญที่เคยทำมาอย่างมากมายเมื่อนึกอยากได้อะไรบุญนั้นก็จะบรรดาให้ได้ทุกอย่าง และป้าท่วนก็ได้แก้วสารพัดนึกมาจริงๆคือน้องสาวของป้าท่วนนั่นเองคือสิ่งต่างๆที่ป้าท่วนมีอยู่เวลาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับเงินทองหรือแม้ตรการเดินทางไปต่างประเทศป้าท่วนไม่เคยต้องซื้อหาด้วยเงินเลยน้องสาวของป้าท่วนเป็นผู้เนรมิตมาให้จนใช้ไม่หมดทําให้ป้าท้วนดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนเลยและป้าท่วนก็เริ่มเล่าประสบการณ์ ในการแจกต้นผ้ป่าช่วยชาติให้ฟังจบหลักสูตรแจกต้นผ้ป่าป้าท้วนเริ่มต้นเป็นทีมแจกผ้ป่าด้วยการเป็นคนหันต้นและประกอบต้นผ้ป่าโดยไม่มีใครช่วยเวลานั้นมีคนคนหนึ่งบอกป้าท้วนว่า ถ้าไม่เรียนก่อนแจกไม่ได้นะป้าทวนก็นึกในใจว่ามันเปิดคอร์สสอนตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องเรียนก่อนถึงจะแจกได้หลังจากเตรียมต้นให้เขาเรียบร้อยแล้วจึงเดินตามทีมที่แจกต้นพับป่าไปเรื่อยๆฟังการพูดของเขาไปด้วยพอวันต่อมาคนแจกติดงานประจำหายกันไปหมดป้าทวนจึงรู้ว่าเรียนจบคอร์สแล้วตอนไม่มีใครมาแจกนี่เองก็เลยได้ลงมือแจกเพียงลาพังในงานที่จตุจักร ซึ่งก็ประสบความสาเร็จงดงามเสียด้วยจนกระทั่งวันที่15พฤษภาคม2 5 4าสเวลานั้นมีผู้นิมนต์พระหลวงตาไปหลายแห่งและถี่มากจนคนแจกไม่พอที่บึงพลานชัยจึงไม่มีคนแจกตัวป้าท้วนอยากทำบุญจึงได้เดินทางไปที่บึงพลานชัยนี้เป็นวันที่พระหลวงตาบรรลุธรรมมาครบรอบห้าสิบปีพอดีจึงตั้งใจทาโรงทานด้วย ในช่วงแรกนั้นงานพับป่าช่วยชาติมีแจกแต่น้ำดื่มเท่านั้นไม่เพียบพร้อมทั้งอาหารและน้ำเหมือนในช่วงหลังแต่คราวเนี้ยมีคนของหลวงพ่อแนนมาช่วยด้วยจึงได้ฝ่าฟันอุปสรรคที่มีมากพอควรนับตั้งแต่ไม่มีรถไปซื้อของพอรถมาก็ไม่มีที่นั่งจะฝากเขาซื้อก็ไม่มีใครมีเวลาไปซื้อให้ทั้งยังต้องแจกต้นด้วยชุลมุนวุ่นวายไปหมดกว่าจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็แทบหมดกำลังใจ แต่พระหลวงตาก็เทศขอบใจที่ช่วยทำโรงทานให้ความเหน็ดเหนื่อยทั้งใจและกายที่มีอย่างมากมายมาตลอดงานจึงมาลายหายไปเป็นปลิดทิ้งเหลือแต่ความปีติยินดีเข้ามาแทนอย่างน้อยๆก็ดีใจที่แม้ว่าจะไม่มีใครรู้ใครเห็นกับความยากลาบากในการทางานครั้งนี้แต่บุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ด้านด้นไปทำงานถวายคือพระหลวงตาท่านก็รู้ก็เห็นและให้พร เพียงแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วต่อมาฝันไปว่าไม่ได้แจกต้นผ้า ป, ป่าตอนนั้นใกล้จะไปต่างประเทศแต่ก็ยังดื้อเดินทางไปงานเพื่อให้รู้ว่าฝันจะเป็นจริงหรือไม่พอไปถึงได้แต่ไปส่งต้นพ้า ป, ป่าเพราะทางโน้นเขามีทีมแจกแล้วเรียบร้อยก็เลยเดินทางกลับไม่ได้แจกดังความฝัน ไม่นานต่อมาประทวนได้มีโอกาสไปแจกต้นพับ ป, ป่าให้กับมูลนิธิหลงปู่มั่นได้ลงมือทาเองแจกเองทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีประสบความสาเร็จอย่างน่าพอใจต่อมาไปทําที่อำเภอกุ่มพวาปีคุณธนพนเป็นเจ้าภาพปีนั้นทางโครงการได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สเสด็จเป็นองค์ประธานคุณธนพมีลูกชายเล็กๆอยู่สองคน เด็กจะดีใจมากเมื่อได้ยินเสียงเพลงจากรถแจกพระป่าเรียกว่าได้ยินเสียงเพลงจากรถเมื่อไรจะไม่ยอมอยู่ในบ้านจะออกมาคอยยืนเฝ้ารออยู่และร่ำร้องจะตามไปด้วยจนคณะของผู้แจกต้องพาไปแจกพระป่าด้วยและจะไม่ยอมกลับบ้านก่อนจนต้องหลอกล่อ ก, กันอยู่นานกว่าจะยอมกลับบ้านและเด็กสองคนนี้ก็ได้รับการพยากรณ์จากพระหลวงตาว่าถ้าบวชจะได้เป็นพระอรหันต์คนหนึ่ง จะได้เป็นพระอนาคามีอีกคนหนึ่งปัจจุบันนี้คุณธนพลก็เสียชีวิตไปแล้วแต่บุญกุศลที่ทำถวายพระหลวงตาทำให้เชื่อแน่ว่าคุณธนพลต้องไปสู่สุคติอย่างแน่นอน กำลังใจจากพ่อแม่ครูอาจารย์นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจประท้วนจนลืมไม่ได้คือการแจกต้นที่จังหวัดสกล น, นครที่นี่ไม่มีคนช่วยขับรถในตอนแรกแต่ต่อมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อประหยัดมาช่วยคุณประหยัดเล่า ว, ว่าพระหลวงตาไปตามเขาในความฝันทีเดียว ให้ลุกขึ้นไปช่วยขับรถแจกพ้าป่าคุณประหยัดบอกว่ายังไม่ได้ลางานเลยแต่พระหลวงตาสั่งให้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาลางานทีหลังประท้วนฟังแล้วไม่อยากเชื่อแต่ต้องเชื่อเพราะกำลังขาดคนขับรถอยู่พอดีในงานนี้ขณะที่แจกต้นผ้ป่าฝนตกหนักแต่ป้ท้วนไม่คิดกลัวฝนทั้งคุณประหยัดที่มาช่วยขับรถยังติดร่มมาด้วย เลยทำให้ป้าท้วนได้อุปกรณ์กันฝนจากต้นต่อกลางสายฝนจนหมดรถแม้จะเปียกแค่ไหนลำบากแค่ไหนป้าท้วนก็ไม่ยอมแพ้จนฝนต้องสาไปเองและที่สกลนครนี้มีคนเล่าว่าเขามีจิตศรัทธาติดต้นพระป่าไป4ี่พันบาทคิดแต่จะถวายหลวงตาอย่างเดียวไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆแต่พอตอนกลับบ้านมีคนมาขายลอตเตอรี่ให้จึงช่วยซื้อ และก็โชคดีถูกรางวัลที่สหลังจากที่ได้ทำบุญกับพระหลวงตาที่บ้านมีออำเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรีผู้คนที่นั่นศรัทธาในองค์พระหลวงตามากถึงกับขับรถตามมาขอไปถึงที่ละสองต้นห้าต้นสิบต้นก็มีและปะ้าทวนเองก็แจกได้ถึง338ต้นแม้งานนี้จะหกล้มเข่ากระแทกพื้นเพราะเหนื่อยมากแต่ก็ไม่ยอมย่อท้อ ทุลักทุเลพอควรยังคงทำงานต่อไปจนเสร็จสิ้นไม่ยอมล้มเลิกทั้งนี้เพราะในใจนึกถึงคำเทศของหลวงตาอยู่ตลอดเวลาว่าการทำบุญทำกุศลจะย่นพบย่นชาได้ทำให้มีกำลังใจอย่างประหลาดแม้เท้าจะพองแต่ก็มีกำลังใจที่จะสู้กับอุปสรรคทุกประการอย่างไม่ยอมแพ้หลังจัดงานนี้แล้วรู้สึกเหนื่อยมากอยากเลิกอยากพัก แต่พอดีได้ไปงานวันเกิดของหลวงปู่จันทาที่จังหวัดพิจิตรท่านออกรับบิณฑบาตในตอนเช้าพอถึงที่ป้าท้วนยืนคอยใส่บาตรอยู่ท่านพูดขึ้นว่าใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มแล้วก็มองหน้าป้าท้วนแวบหนึ่งก่อนจะผ่านไปคำพูดของท่านทำให้ป้าท้วนได้คิดพิจารณาและนึกถึงพระหลวงตาที่แก่แล้วแต่ยังไม่ยอมวางมือจากการช่วยชาติ ทำให้ป้า eg, ท้วนตัดสินใจทำงานต่อเขาที่ปวดอยู่ก็หายปวดโดยไม่รู้สาเหตุป <nationwide. ikh. S 2> ้าท้วนยังนึกโมทนาคำเตือนของหลวงปู่จันทามาจนทุกวันนี้ที่ให้กำลังใจป้าท้วนสู้ต่อไปเจอหลายแบบ มีสิ่งหนึ่งที่นักแจกพระป่าทุกคนต้องเจอนั่นก็คือเข้าไปในบ้านที่มีหมาและมักจะถูกหมาเ ห, าห่าหมาไล่กัดกันเกือบท่วนหน้าแต่คราวนี้ป้าท้วนไม่ถูกหมาเห่าไล่หากถูกเจ้าของส่งเสียงออกมาไล่แทนพอเดินตามออกมาเห็นหมาตัวเองเอาหลังพิงเสาไฟเอาก้นยันพื้นและยกมือไหว้ป้าท้วนเรื่องนี้คนที่ไปเห็นด้วยกันสามารถยืนยันได้ทาเอาเจ้าของที่ตะโกนปฏิเสธมาแต่แรก ต้องหยุดมองอย่างแปลกใจและตกใจชั่วขณะคิดไม่ถึงว่าหมาจะนั่งไหว้เราได้และพอฟังคนแจกต้นผ้าป่าพูดจบก็ยอมรับต้นแต่โดยดีเหมือนจะรับไปอย่างพิสวงงงงวยและไม่รู้จะให้คำตอบกับสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าอย่างไรดีต่อมาก็ไปแจกที่บ้านใหญ่มากหลังหนึ่งเห็นประตูบ้านเปิดอยู่มีรถจอดอยู่หลายคันจึงเข้าไปแจกหมายจะชวนเขาทาบุญด้วย แต่ถูกด่าจนน้ำตาร่วงออกมาเลยมาหยุดเช็ดน้ำตาอยู่หน้าบ้านหลังเล็กถัดมาซึ่งเจ้าของบ้านมีหัวใจยิ่งใหญ่กว่าเจ้าของบ้านหลังใหญ่เดินเข้ามาทักทายโอภาปราศยอย่างดีแถมเอาน้ำออกมาให้กินพร้อมบอกว่าอยากทำพัพ ป, ป่ากับพระหลวงตามานานแล้วแต่ไม่รู้จะขอต้นพัพ ป, ป่าจากไหนเราเอาส่งให้เขาถึงบ้านถือว่าเขาโชคดีแล้วในวันนี้ดูเอาเถอะร้องไห้มาไม่ทันไร ก็ได้มายิ้มแก้มปริหน้าบานใกล้ๆกันนี่เองทําให้นึกถึงเทศของพระหลวงตาอีกหนึ่งประโยคว่าถ้าไม่ใช่สายบุญแล้วจะไม่รับเลยการแจกพระป่าที่ลบบุรีเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากมีคนรับต้นพระป่าล้นหลามได้เงินทำบุญมากกว่าล้านบาทที่วัดธรรมสถิตจังหวัดระยองก็เป็นอีกที่ที่รทประทับใจป้าทุน ที่นั่นป้าทวนได้ไปพักที่กุฏิเล็กๆหลังวัดใกล้ๆกุฏิหลังนั้นมีรูปปั้นพระปางหน้าปลกประดิษฐานอยู่ด้วยใกล้ๆรูปปั้นมีพึ่งมากมายนับแสนตัวมาทํารังอยู่แต่ป้าทวนไม่นึกหวาดกลัวคิดแต่เพียงต่างคนต่างอยู่และป้าทวนก็มาทําบุญช่วยชาติพึ่งก็อยู่ส่วนพึ่งป้าทวนก็อยู่ส่วนป้าทวนพึ่งก็บินวนเวียนทํารังไปป้าทวนก็แจกผ้าป่าไปทําอาหารถวายพระไป ถ้าวันไหนทำของหวานด้วยก็หนีเข้ากุฏิปิดมุ้งลวดให้เรียบร้อยกันไม่ให้พึ่งเข้ามาวุ่นวายทำเช่นนี้ทุกวันจนงานเสร็จโดยที่พึ่งนับแสนไม่เข้ามาใกล้หรือรบกวนอะไรเลยซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกถ้าเป็นคนอื่นต้องย้ายกุฏิหนีพึ่งจำนวนมหาศาลอย่างนี้แน่นอนเพราะถ้าทําอะไรผิดมีหวังตายลูกเดียวแต่ป้าท้วนก็รอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์